พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงอนุปุปพิกถาครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งนั้นถือดาบและโล่สะพายธนูเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ยืนกลัวหวาดหวัน่นสะดุ้งตกใจจนตัวแข็งทื่อ ไม่ห่างจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครับสั่งกับบุรุษนั้นผู้ยืนกลัวหวาดวันสะดุ้งตกใจจนตัวแข็งทื่อว่ามาเถิดท่านอย่ากลัวเลยลําดับนั้นบุรุษนั้นวางดาบและโล่ปลดธนูวางไว้ณนะส่วนข้างหนึ่งแล้วเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วซบศรีรษะ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 เรื่องศีลสสัก ข, ขะกะถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวะกะถาเรื่องโทษความต่ำซามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขมานิสังสะกะถาเรื่องอานิสงฆ์แห่งการออกจากกรมแก่บุรุษนั้น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 ยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญพาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญ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 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับบุรุษเหล่านั้นดังนี้ว่าพวกท่านอย่าไปทางนั้นจงไปทางนี้แล้วส่งพวกเขาไปทางอื่นครั้นบุรุษอีกสี่คนละครั้งนั้นบุรุษอีกแปดคนละครั้งนั้นบุรุษอีกสิหกคนปรึกษากันว่าทําไมหนอ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 ทรงประกาศ 1. ทานนกถาเรื่องทาน 2. ศีลกถาเรื่องศีลสามสักขะคาถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำสามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. ้าเนกขมานิสังสกถาเรื่อง อนิสงส์แห่งการออกจากกามแก่บุรุษนั้นครั้งนั้นบุรุษสิบหกคนนั้นเห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กแกล้งกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา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 แล้วส่งส่งพวกเขาไปทางอื่นต่อมาบุรุษคนหนึ่งนั้นเข้าไปหาพระเทวทัต ถ, ถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับพระเทวทัตดังนี้ว่ากระผมไม่สามารถปลงพระชนพระผู้มีพระภาคได้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก พระเทวทัตตอบว่าอย่าเลยท่านท่านอย่าปลงพระชนพระสมณะโคดมเลยเราจะลงมือปลงพระชนพระสมณะโคดมเอง